จากคณะสมและรำปพอมให้เชียร์ยอมทุกท่านนะครับก็ตามสบายๆก็รันจาสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ได้มีโอกาสรับฝันธรรมะจากคูบาอาจารย์ ในเวลาที่ดีเราทำวัดแล้วก็จิตใจก็สงบมีสมาธิพอสมควรแล้วก็สวดพร้อมๆกันใข่เสียนมีความ แสดงความสม ก, กีริกรอมคืนได้มีพิธิสุขในเวลาสวดมนต์ต่อมาก็ตั้งแต่บทมาแล้วก็ ก, การสวดมนต์ก็ไม่เบื่อก็ออกเสียง ได้เรียนรู้คำสองคนพระพุทธองค์เพลงคำที่เป็นลืดเพงสัจธรรมเท็มไปด้วยก็โอกาสที่ดีสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นระลึก ถ, ถึง คำสองขอมพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าและก็ตอบทวนธรรมะคำสองขอมพระพุทธอนและก็ มีสติอยู่กับกายอยู่กับวาจาอยู่กับใจในเวลาสวดมนมต์แล้วก็ระดมบงคือสอนบงคุณขอสังกะเพ่งอาดีย ตนก็รับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จต่อมาพาะขนทอนพระหลายรูปสองปังห้าร้อยกว่าปีมีธนวัตร ศาสตร์แล้วก็ได้มาถึงแก่เราได้ฟันธรรมะได้ได้รู้การปฏิบัติธรรมที่ระ ตะองพระพุทธเจ้าชี้แนะให้วิธีการที่ถูกต้นปฏิบัติปฏิบัติชอบใครทําตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ทุกกอมได้ผมได้มีสิทธิที่จะบานเทาความทุกข์ถึงมาผลนิพพานก็ได้ยังไงก็ตามเราก็ ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสังสอนไว้เราเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าและพระอริยสอหลายรูปก็เปิมใจอย่างยินเวลาสวดมง แม้ว่าเป็นเวลาเช้าเย็นสามสิบนาทีก็รวมเป็นชั่วโมงหนึ่งในยี่สิบสี่ชั่วโมงในวันหนึ่งก็อกาสที่ดีเราก็สามปัดคำสองเป็นสัจธรรมที่แทจ้จริง อพระพุทธเจ้าและก็โอกาสที่ที่ลาลุถืนปูนคุณพา ร, รัตนาตรัยพระพุทธประถามระสมเป็นสุขกระแสของบรรยากาศดีดา ในการสวดมนต์แล้วก็เราก็เพิ่มเอาธรรมะจากคือบาอาจารย์หลายรสชาติรสแกมก็ดีรสหวาน ก็ดีทุกอย่างนี้ก็เป็นมีประโยชน์ต่อจิตใจถ้าเราหลับฟังเอามาใช้ในชีวิตประจำวันการเดินการนั่ง าการทำการอ่านหนังสือหรือว่าปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสร้างจังหวะก็เอามาใช้ได้ทุกเวลาทุกนาทีคือสติสัมปชัญญะระลึกได้และรู้ ตัวชั่วขณะชั่วขณะถ้าเดิมหล้มไปนิดหนึง่งก็กลับมาปัจจุบันนี้ปัจจุบันที่นี้อดีตก็เที่ยวอดีตไปเที่ยวอนาคตไป จิตนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่เดินไปเรื่อยๆหายไปก็ระลึกถึงให้อยู่ปัจับมาอยู่ปัจจุบันอยู่ที่นี่ ไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยมรับมันหน้าที่ของเราก็เอากลับมาเดินกลับมาอยู่ปัจจุบันนี้อยู่กับกายอยู่กับใจวันหนึ่งได้ความคิดเกิดขึ้น แล้วก็พยายามที่จะกลับมายิ้มไปแล้วไม่ก็ยิ้มดีเพราะว่าเราก็มีโอกาสกลับมาได้หลายขั้นหลายผมวันหนึ่งตอนที่เราทาอะไรก็ตาม ที่ยินเสียาาือจมูกทิ้งกายใจก็มีอาการเป็นอารมณ์หรือรดเสียง กิมบตบปะธรรมอารมณ์ก็เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าเวลาไหนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แล้วก็ไม่ได้ติดไม่ได้หยุดมันถือมั่งแกือเฉยๆเห็นมันอาการเป็นยังไงเกิดขึ้นก็เห็นดับไปก็เห็นแล้วก็เกิดขึ้นอีก ก็แหนดับไปแล้วก็แหนแม้ว่าเป็นรูปรสเสียงกลิ่นอตจปะความร้องความหนาวความหิวความอิ่มร้อนหนาวเจ็บปวดแต่งอาการกศรพัญยาน แล้วก็มีความคิดเวธนาทุกเวตนาสุกเวตนาอาทุกามาสุกเวตนาก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็มันก็เป็น ธรรมชาติเป็นเช่นนั่งเองเช่นนั่งเองก็เป็นอาคารเฉยๆเป็นธรรมชาติธรรมดาแม้ว่าเป็นผู้หญินผู้ใจเด็กผู้ใหญ่ก็ อาการเกิดึ่งที่เป็นสีเป็นตะาวาันทั้งหกถ้าเราให้รู้ตัวมันให้รู้อาการ โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลผู้ใายผู้หญิงคนชาติไหนก็ว่าเป็นโสมมติแต่ว่าเป็นสัจธรรม เป็นพระมัดประมระนี้ก็ไม่เป็นอะไรนี่แต่รูปมีแต่นามมีแต่ใจไม่แต่เจตสิกมีแต่อินทรีย์อารมณ์มันก็เป็นแต่อาการกึ้นดับไปไม่ได้ตัวไม่ได้ตม ก็เข้าใจเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นยินเห็นชัดแล้วก็อิสระอิสระก็ไม่ใช่เป็นหมถึงว่าเป็นธาไม่ใช่เป็นธาตุของอารมณ์ทั้งหกถ้าเราไม่รู้ตัวไม่เข้าใจ เหลื่มแล้วก็หลอมก็เถิกดึงกักเถิกดึนไปเผลอไปไม่มีเจ้าก็มีแต่เราเป็นตัวเป็นธาตุของมันไม่มีสละ อาการนั่นก็เป็นเจ้าของของเราไปนี่ไปนั่นไปความทุกข์ไปล้มไปกลุ้มใจปาไปเศร้าหมองความกรบความอยาก ทำให้เกิดอบชาติเป็นตัวเป็นตนแล้วก็แผ่นมุมเบียนแป่นวัฏตะฝนสาลหลายโรค โดยไม่รู้ตัวทุกก็แก่ไม่ได้สึกก็ติดมันแล้วก็ไม่พอใจไม่สบายใจเราก็หน่วยอยู่แล้วชีวิต ท, ที่ผานมาตอนที่ยังไม่ พบยามไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จาวิธีจากอิสระจากมันจากความทุกข์ วิ่นไปวิ่งมาเป็นอาการก็ป่าเหลาไปแต่ว่ากาดีพวกเราก็ได้พบ <c oughs> ในชาตินี้ในรอบนี้ คำสองของพระพุทธเจ้าแอมฤทธ์เราก็แก้ปฏิบัติตามคำสองของพระพุทธ อ, องค์แปดมอมแปดเราก็ให้รู้ให้เห็น สัจธรรมตันฑ์สมมาติความแห่งชอบถึงสั ม, มาสมาธิก็เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติมาทุกวันทุกวัน ตอนที่ทางเก้าอาบน้ำเดินไปเดินมาเคยกับเพื่อนเคยกับญาติที่มาเยี่ยมกเราก็ไม่เริมตัว ให้รู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้บันทีก็สึกกระเวทนาเกิดขึ้นดีใจก็ให้รู้รับมันแต่ไม่ได้ติดมันไม่ได้สร้างตังหาปะทาม บันที่ก็ได้พบทุกกระเวทนาก็เราก็ไม่ได้กรอดไม่ได้สื่อไม่ได้กอดมางกอดขี ก็แค่รู้อากัรว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นสึกก็ดีทุกก็ดีหรือ ว, ว่าตอนที่ไม่สึกไม่ทุกก็เราก็รู้ตัวความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นรู้ตัว ทันทีก็ปรกกำบนใจวิตกก็รู้ตัวนั่นแลสงสยัยอาจจะเกิดขึ้นนี้มันถูกหรือเปล่าคำสอนนี่ดีหรือเปล่าทำไมเรา นอ่ามีชีวิตอยู่ในโลกอะไรต่างๆสารพัดคิดไปคิดมานี่ก็ทำไมททำไมแล้วแสวงหาสาเหตุผมอันนี้ก็เป็นรันงเล เป็นอาการรังแระสนใยเกิดขึ้นไปก็เราก็ไม่ได้ติดกับมันเอาแต่รู้ให้กลับมาแล้วก็รังแระสนใจก็ดับไปเองความงุ่มง่ามความ บนปั น, นติหุ่นซ่างุต จ, จกุกุ จ, จักนีก็เราก็หูผู้แฟ่แฝ่ันก็เป็นอาการมันก็มันเกิดขึ้นบ้านเพราะเราก็มีกายมีใจ ก็แปลงอาการสารปัตอยางทันทีเห็นภาพเห็นสีเห็นความสวานในใจผิดสุขเข้าใจเจ้นก็ดีเราก็ไม่ได้ติด กับมันความสงบเย็นความสบายใจความสึกยันยินอันนี้ก็ถ้าเราไม่รู้ตัวมันติดมันแล้วก็เป็นความทุกข์ไม่มีอิสระก็เลยเราก็เห็น เห็นแล้วก็รู้ว่า อ, อ๋ออันนี้ก็เป็นปิปสุนุปักิเดย์ตาจิตแล้วก็เป็นท่าของมันเดิมตัวความทุกข์้าเห็นแล้วก็เออดีที่ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของเรา มีค่าหามีกำลังใจปฏิบัติความขยันความอดตนข้อเกิดขึ้นยินดีอยู่ในการเดินยินดี อยู่ในการ น, นั่นนอนเราก็รู้ว่าอ้อแกเราทำที่อาบททั้งสี่เวลาไหนก็อยู่กับทั้งสี่อย่างนั้น ถ้าดูแล้วก็ก็รู้สึกมีความสึกโดยไม่ได้เอาอะไรก็ได้นั่นเฉยๆก็รู้สึกก็สึกยำปลานี้ได้ร่างกายก็เจ็บปวดบ้านก็เราก็เปลี่ยนฮีเดียบอ ก็พอแล้วเอาความสุขดีไปเรื่อยๆเอาความสุขนี้ไปกำลังใจต่อการปฏิบัติตามต่อไปนะครับก็สำหรับเย่านี้ก็อ่าก็พอสมกวรแก้เวลาเพื่อเพียงแค่นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญต่างท่านใจปฏิบัติธรรมได้ผมถือมักป้อนญิปาในปัจจุบันอาจา่านี้ตึกๆก่อนเธอข้าพระพร้อมกัน